ุทสวัสดีค่ะท่าฟังคุยครบรค่ะรายการสันสนีสนนานะคะปีห้าโดยประมาณทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6รอกค่ะก็จะมาพบกันเราเดินทางกันอยู่ที่อินเดียนะคะเนี่ยตอนนี้เมื่อวานนี้เล่าถึงการเดินทางจากกรุงเทพกับทางวัดป่าดอนหายโศกไปสีสังเวชนียสถานจุดแรกก็คือพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้และเราก็เล่ากันไปจนถึง ใกล้ๆพุทธคยาห่างกันประมาณสองชั่วโมงคือราชคฤห์ที่มีสถานที่สําคัญก็คือเขาคิดชะกูดและวัดเวรุวันวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธองค์นะคะวันนี้เดี๋ยวปฏิบัติธรรมกันตอนที่ได้พบกับพระมหาภัยบุอภิปุณโญเช่นเคยก่อนแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกันต่อนะคะตอนนี้ไปกราบนมัสการท่านด้วยกันค่ะนมัสการกับท่านค่ะเฉยพาน เรามาเริ่มการปฏิบัติด้วยการที่ให้ตั้งสติเอาไว้สติแปลว่าการระลึกได้คือระลึกถึงสิ่งที่ทําจํำคาที่พูดแล้แม่นานได้ทีนี้การสติที่เราจะระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมาสตินั้นคือให้จิตของเรานั้นตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเวลาที่เราจะถอนจิตของเราออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลความคิดไม่ดีต่างๆให้มาตั้งไว้ในสิ่งที่จะเป็นกุศลสิ่งที่มันจะดีงาม เรื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้คืออนุสติทั้ง1ิบอย่างเช่นอนาปานาสติมรณสติศีลานุสติจารานุสติเป็นตน้นในที่นี้เราจะมาตั้งจิตไว้ในพุทธานุสติคือกรารระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากความรู้ความสามารถที่มากอย่างนี้เพราะว่าท่านบำเพ็ญบารมีมา บารมีที่ท่านบำเพ็ญมานั้นมีมากมายและท่านเคยตรัสเล่าให้ฟังไว้อย่างนี้ว่าเมื่อตถตาคตเกิดเป็นมนุษย์ในพบก่อนในชาติก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนๆได้เป็นผู้บากบันในกุศลธรรมทั้งหลายถือมั่ในกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตในการบริจาคทาน ในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถในการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณพราหม์และการอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอาธิกุศลรธรรมอย่างอื่นๆเพราะได้กระทาได้สั่งสมได้พอกพูกนกรรมนันหนันไว้ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับ จึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ถาคนนั้นถือเอายิ่งกว่าเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคือโดยอายุทิพย์วันน้าทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์อธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และสัมผัสอันเป็นทิพย์กรั้นจุติจากภพนั้น มาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่วาดวันต่อฆ่าศึกทั้งภายในและภายนอกคือราคะโทสะหรือโมหะก็ตามหรือสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกที่เป็นศัตรูเมื่อตาากคตเกิดเป็นมนุษย์ในพบก่อนในชาติก่อนได้เป็นผู้นำสุข มาสู่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสรุ่งหวาดเสียวจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมพร้อมทั้งอวยทานและทั้งบริวารปราได้กระทำกรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีบริวารมากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันย่อมเป็นบริวารของตถากฏ ต, ตถากฏได้เกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่คอนควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรัก ราะได้กระทํากรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมเป็นที่ต้องตาของหมู่ชนไปนั้นมากเป็นที่รักใคร่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาของเทวดามนุษย์อรสูรนนาคและคนทัน้งนี้เป็นลักษณะเบื้องต้นที่แสดงถึงบรุรพกรรมที่ท่านได้บําเพ็ญบารมีมาใน ใช่ก่อนพบก่อนแล้วด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็จึงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในในิยต่างๆแบบนี้แล้วจะทาให้เรามีจิตใจที่มีศรัทธาจิตใจที่มีศรัตนั้นเป็นพุ้ธานุสติแต่จะทาให้มีการที่น้อมมาในทางธรรมะมีความเข้าใจต่างๆได้มีความลึกซึ้งมากขึ้นเช่นกันสาธุค่ะ ค่ะท่านฟังค ะ, ะช่วงนี้ก็คงจะปฏิบัติธรรมด้วยพุทธานุสติกันอยู่หลายวันหน่อยเพราะว่าเป็นการสนทนาที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะคะจากการที่ได้เดินทางไปยังสังเวชนียสถานทั้งที่อินเดียแล้วก็ที่เนปาลเราผ่านกันมาจากพุทธคยาจนมาถึงเวลุวันนะคะหรือว่าเมืองราชชครึแล้วพอวันถัดมา อันนี้เป็นวันที่สามนะคะก็จะย้ายจากเมืองขยาค่ะทีนี้จะเดินทางไกลเลยตั้งแปดเก้าชั่วโมงมการเดินทางนี่สนุกสนานมากมุ่งตรงไปกุสินาราท่านฟังอาจจะเอ๊ะทำไมตรัสรู้แล้วปนิพพานเลยเหร อ, อมไม่ไล่ลำดับก่อนจะไปนิพพานเพราะเหตุใดเส้นทางจึงต้องเป็นเช่นนั้นคะ่ะตรัสรู้แล้วไ ป, ปนิพพานก่อนไคะท่านคะเอ่อเพราะว่าคือจริงๆ จ, จ, จาก ที่ตรัสรู้นะโดย ท, ทั่วไปเนี่ยคนนี้ก็เดินทางกันเขาก็จะไปนอนที่ราชคลื่ด้วยนอนที่ราชคลื่แล้วก็ค่อยเดินทางต่อไปไวยสาลีจากไวยสาลีก็ไปกุศินาราน ะ, ะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ทีนี้ของคณะของเราเนี่ยไปราชคลื่แล้วกลับมานอนที่พุทธกยากลับมานอนที่พุทธกยาทําไมเพราะว่าจะได้มีเวลาอยู่ที่ต้นพระสีมาโปมากขึ้นมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นได้อีกอรอบหรือสองรอบด้วย ลก็เลยจึงต้องย้อนกลับมาที่พุทธคยา<ช>ค่ะก็เลยต้องเดินทางไกลกันนิดหนึ่งเพื่อไปถึงกุสินาราทีนี้เมืองที่เป็นไปตามลําดับ ก, ก่อนที่จะไปถึงกุสินาราก็จะมีราชครื้ก่อนก็ะจะมีไวสาลีก่อนถ้าเราไปพักที่นั่นการเดินทางก็จะไม่ได้ต้องยาวมากค่ะนะคะดิฉันก็ขออนุญาตที่จะเล่าถึงเรื่องของการเดินทางสักเรื่องหนึ่งนะคะ <ừ> เพราะว่าพอไปถึงท่านเนี่ยจะหนักไปทางเรื่อง รายละเอียดของพุทธประวัติแล้วก็ข้ออัจข้อธรรมการเดิ น, นทางนะคะท่านฟังใครที่ยังไม่เคยไปอินเดียเนี่ยดิฉันว่าเตรียมร่างกายให้ดีแข็งแรงหน่อยนะคะเดินทางสนุกมากค่ะสองข้างทางที่เราได้พบได้เห็นแตกต่างจากเมืองไทยมากเลยท่านสามารถจะเห็นโอกวัวอยู่ใกล้กๆแค่รถผ่าน แล้วก็ประหลาดมากปกติคนไทยจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่เลี้ยงหางบ้านอแต่นี่เขาเลี้ยงในบ้านนะคะดูเหมือนให้เกียรติเป็นพิเศษอยู่หน้าบ้านใกล้บ่อน้ําบาดาน <laughs> ที่เขาขุดโยกกันเลยแล้วก็บางทีก็มีม้าสมัยก่อนที่ที่ฉันเดินทางเนี่ยเจอทั้งช้างทั้งมา้าทั้งอูฐทั้งวัวทั้งแพะเจะนุ๊กยุงด้วยนะคะท่านคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราไม่ค่อยจะได้นั่งรถยาวๆอย่างนี้กันบ่อยนักในประเทศไทยอตอนนี้ แค่สามร้อยห้าสิบบวกเจ็ดสิบกิโลเมตรใช่ไหมคะใช่เราเดินทางกันเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงรถบีบแตร ى, แต่แนๆตเดี๋ยวนี้แตรเขาดีนะคะเป็นเพลงคือท่านทราบ ดิฉันไม่ทราบว่าท่านกับดิฉันเนี่ยใครไปอินเดียก่อนกันนะค ะ, ะแต่ตอนที่ดิฉันไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเขาบีบแตแรแทบจะทุกวินาทีนั่นแหละแต่ตอนนี้ห่างลงก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะแล้วประเทศเขาเขาเป็นแบบนี้ค่ะแล้ประเทศเขาเป็นแบบนี้ อ, อีกประการหนึ่งพอเราเห็นสภาพประเทศเมืองเขาผู้คนเขาเนี่ยอมาเพิ่งจะมีความเข้าใจว่าโอ้นั่นแหละพระพุทธเจ้าต้องมาตรัสรู้ที่นี่ะแะคือไม่ใช่เฉพาะ สมณะโคดมนะที่จะมาตรัสรุปที่นี่แม้พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆที่มาแล้วในอดีตท่านก็มาตรัสรุปที่นี่นะไม่ถึงว่าที่ชมพูทวีปนะะแล้วก็ที่จะมาตรัสรุปในอนาคตก็จะต้องมาตรัสรุปที่นี่เพราะเหตุใดคะเพราะว่าความเป็นสัมมาสมุาธินี่มีความสามารถมากพอมีความสามารถมากแล้วเนี่ยมันต้องมาที่ที่มันยากเพื่อที่จะใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยได้เต็มที่ คุณผมติลองลองคิดดูถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรุปที่เมืองไทยใช่ปะ่ะแมยคนไทยบอกง่ายจะตายใช่ไหมคืออาจจะมีปัญหาโน่นบ้างนี่บ้างก็ท่านแก้ได้อยู่แล้วด้วยความเป็นสมาส ม, มาจุตะแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาเป็นประเทศแบบของเขา่าบางทีบางคนก็จะบอกยากเลยจึงมีประเพณีที่เรียกว่าอาบอกครั้งที่สองบอกครั้งที่สมทุต ต, ติยมปีตติยมปีอย่างเงี้ยละอ๋อค่ะท่านฟังคะสิ่งที่ท่านพิบูรณ์ได้กล่าวไป เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แร่สรู้ที่นี่นะนะคะเป็นคำถามในรถคันที่ห้าที่ท่านพิบูลนั่งอยู่และดิฉันนั่งอยู่ด้วยมีท่านฟังตั้งคำถามอยู่หลายคำถามทีเดียวนี่ก็เป็นหนึ่งในคำถามนั้นเหมาะกับการเดินทางไกลามากเลยนะคะที่จะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับการที่ได้ปฏิุจชาวิเีตาใช่คือ ถ า, ถามทวนถามกันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอืแต่ท่านเผยบุญทราบไหมคะดิฉันเนี่ยไปยืนอยู่ตรงหน้ารถแค่ตอนที่ไปสนทนากับท่านแต่ท่านเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าดิฉันคิดว่ายากลาบากมากก็จะเห็นภาพที่หวาดเสียวตลอดเวลาค่ะท่านทุกคนคะลองหลับตานึกถึงอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เจริญถนนก็ไม่ได้มีกี่เลนมีมแค่สองเลนมัคะท่านคะใช่ไหคะหรือบางที่ดีหน่อยก็มีสี่เลนแต่น้อยมาก แล้วหนึ่งเลนเนี่ยหนึ่งฝั่งมักจะมีการซ่อมทางคะ่ะคะแล้วลองหลับตาคิดดูว่าพอซ่อมทางอะไรจะเกิดขึ้นรถไปและรถมาจะต้องขับรถอยู่บนเลนเดียวกันดังนั้นจึงต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษรถเราคนขับเป็นหนุ่มคะ่ะท่านคะโอ้โหเรียกว่าใจหายใจควา ม, มีหลายครั้งที่ในรถเนี่ยจะร้องกันคลิกลาสนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> แต่แต่สุดท้าย ดิฉันมาตรวจสภาพตอนที่ได้พักไปถามคนที่สูงอายุนะคะ ท, ท uh ั้งงานถามว่ า, าคุณยายคุณป้าคุณตาเป็นยังไงบ้างคะไ uh huh. หน่อยไหมอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆ uh huh. แม้กระทั่งนั่งติดๆกันหลายวันจนถึงวันกลับนะคะพูดเหมือนกันหมดเลยเ uh huh. หนื่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ uh huh. ค่ะวอันนี้คือคือที่สถานที่ที่เราไป โดยช่วยงยิ่งบริเวณนั้นเนี่ยคือสังเวชนี is, สถานทั้งสี่เนี่ยคือปัจจุบันนี้มันเป็นบ้านนอกของประเทศอินเดียเขาค่าแะแต่คือถ้าเราไปดูที่เมืองใหญ่เช่นนิวเดลีหรือว่ามุมไบเนี่ยเขาก็มีความเจริญรพอๆกับเมืองไทยไยง น, นนะค่ะกวางกุงเทามาแล้วก่อนแต่นี้ที่เราไปเนี่ยมันบ้านนอกมันชนบทจริงๆอะ่ะค่ะถนนหนทางบางทีก็ยังไม่ได้ทําเป็นหลุมเป็นบอ่อผู้คนก็ยังทําการเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่มีไฟฟ้าใช้ บางจุดบางที่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นบ้านนอกเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่เราเห็นนะใช่ค่ะสมมติท่านหมอไปนอกหน้าต่างนะค ะ, ะถ้าผ่านบ้านคนเนี่ยก็จะเห็นบ้านชั้นเดียวหลังเตี้ยเตี้ยถ้าตอนเย็นเย็นี่ก็จะมืดมืดถึมถึมนะคะอาจจะมีไฟรีรีนิดนึงถ้าค่าอีกนิดนึงก็ไม่มีไฟเลยและถ้าตอนแสงสว่างมีท่านจะเห็นคนใส่ผ้าสารีนะคะสีสดสดแะแต่สดแบบขมุกขมวัวเพราะว่าบ้านเขา มันขี้ฝุน <Est> ่นเยอะอืเขาคงไม่ใช่เป็นคนไม่สะอาดเลยนะคะท่านเพราะดิฉันสังเกตว่าตู้ขายขนมของเขาที่เป็นตู้กระจกและโชว์ขนมเนี่ยในขณะที่ถนนมันเป็นฝุน<ข>่นมากๆตู้เขานี่ใสนะคะ <S 1> <S 1> สังเกตหลายเมืองเลยกับเพื่อน ๆ, <S <S ๆ, ๆ <yse> บอกเออเขาคงเป็นคนสะอาดนะแต่สภาพแวดล้อมมันทําให้ดูเหมือนกับเขาไม่สะอาดอือย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารในที่นั้นสําหรับคนท้องไส้ไม่คุ้นเคย ก็ทำให้หลายคนท้องเสียเหมือนกันอันนี้ต้องพูดไปล่วงหน้านะครับเผื่อว่าท่านจะไปกันบ้างทีนี้เข้าสู่จุดที่เป็นสาระดีกว่าท่านคะสมมติว่าเราเดินทางมากันเกือบสิบชั่วโมงละเข้ามาถึงเมืองกุสีนารา น, นอนแล้ววันรุ่งขึ้นได้ไปที่สถานที่ปรินิพานเลยคะท่านคะใช่อันนี้ก็เรื่องราวที่จะเกี่ยวเนื่องกับการปรินิพานาเพราะว่าพระพรุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาช่วงสิบเดือนนั้นเนี่ยเดินทางตลอดคือ ไล่มาตั้งแต่ตอนที่ท่านพระมหาโมคคลานะปรินิพานอยู่ที่บริเวณเขาคิชกูดใที่กาลสีดาใกล้ๆกันแต่เดินทางไปที่สาวัตถีได้พบเจอท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรจะมาปรินิพานก็ที่บ้านของท่านที่เมืองราชกรึก็ได้พบกันตรงนั้นแล้วพระรชามาปรองอายุสังขารที่เมืองไวยสาลีที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ํำคงคาแต่ถ้าคณะที่เดินทางเนี่ยจากพุทธคยา จะไปเมืองคุสินาราเนี่ยจะต้องข้ามแม่น้ํำคงคานั่นจะเป็นสะพานที่ยาวมากเลยตรงนั้นแม่น้ําตรงนั้นเนี่ยคือแม่น้ํำคงคาเป็นถ้าเป็นแม่น้ําที่พระพุทธเจ้าข้ามจากเมืองราชคฤื้ไปเมืองไวยสาลีตอนนั้นแล้วก็มีการเทศสอนอะไรต่างๆต่า ง, ง, งลกลับมาที่เมืองไวยสาลีนี้หลายครั้งเราก็เคยจําบรรดาที่นั่นด้วยแล้วก็ในรรษาสุดท้ายก็ได้ p r งอายุสังการที่นี่ ที่เมืองไวสาลีและเราก็เดินทางต่อไปที่เมืองกุศินาราพอถึงเมืองกุศินาราเนี่ยเรื่องราวที่สําคัญตรงนั้นนะคือพอเมื่อท่านก่อนจะถึงแตนะ่ก่อนที่จะเข้าเขตเมืองกุศินาราเนี่ยจะข้ามแม่น้ําสายหนึ่งที่เรียกว่าแม่น้ํากะกุทะนทีนะีซึ่งเรื่องราวตรงนี้แหมชงมาเรียบร้อยแล้วนะคุณโยมติยวคือพระพุทธเจ้ารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายอิ่มแล้วนะที่ บ้านของนายจุนทะแล้วก็มีคนมาถวายผ้าเนื้อดีสองผืนคือนายปุกุศลกรรมระบุตรนะพอท่านกินอิ่มแล้วอาบน้ําเรียบร้อยใส่ผ้าใหม่แล้วก็ไปปรินิพานก็คื อ, อความกดงานมันตรงนี้ว่าคือบางคนเราอาจจะเคยเห็นว่า เ, เขาตายแล้วก็ต้องมีคนมาแต่งหน้าศพใช่มใช่แต่งหน้าศพเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอาบน้ําให้เช็ดตัวให้แต่แต่นี่ท่านไม่ต้องทำหรอกเพราะท่านทําเสร็จเรียบร้อยอค่ะอาบน้ําท่านก็อาบเองเรียบร้อย เชื้อผ้าจีวรก็เป็นผืนใหม่อยู่แล้วกินข้าวอิ่มแล้วด้วยคแล้วก็เดินทางมาเพื่อประทับนอนที่เรียกว่าชนิดนอนที่ไม่ตั้งใจตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกการประทับนอนที่ระหว่างต้นสาระคือต้นรังคู่เนี่ยนะแต่ตรงนั้นเะนี่ยได้บอกท่านพระนนท์ว่าอาจจะบริณิพานตรงนี้นะพอถึงนะัดตำแหน่งนั้นแล้วให้ท่านพระนนท์ตั้งเตียงบริณิพานตรงนั้นท่านประทับนอนด้วยตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกค แตซึ่งซึ่งไม่ได้มีทุกคนจะได้มีโอกาสนี้นะคุณโยมติ๋วอย่างอย่างทั้งผู้ฟังหรือตัวธรรมาเองหรือคุณโยมติวเองนอนไปคืนนี้เนี่ยเรียกไดว่าปุนี้เราจะมาทําอะไรปุณิฯฉันจะต้องถวาคนนี้ปุณิฯฉันต้องทำอันนี้แต่เราตั้งใจว่าเรายัางจะลุกขึ้นเพื่อไปทําการงานกันใช่ไหมแต่ที่บางคนเนี่ยเขาเขาไม่รู้ตัวได้สยม้ำวคืนที่เขาจะนอนไปวันเนี้หรือเตียงที่เขาจะนอนคืนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เขาจะไม่ลุกขึ้นจะเป็นเตียงตายของเขา คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบใช่ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทราบเลยว่าแต่อย่างนี้แหละจะเป็นเรียนที่ฉันจะไม่รู้ขึ้นจะเป็นเตียงปริณิพานจะเป็นเตียงปริณิพาน์จะเป็นเตียงที่ฉันจะนอนคืนสุดท้ายและฉันจะไม่รู้ขึ้นแล้วค่ะนะซึ่งแหมตรงนี้เป็นความพิเศษเป็นเรื่องราวที่ชงมาเรียบร้อยแล้วมาว่านะค่ะนะมาอยู่ที่ตรงนั้นอาบน้ําเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยเป็นผ้าใหม่แล้วก็มาตั้งใจแบบนี้นะศัพท์ศัพก็จะมีศัพท์ที่ใช้อนุตฐานะ สายยาออนุถานะสายยาคือการนอนชนิดที่ตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกค่ ะ, ะแล้วก็ปชิมโอว่าท่านเนี่ยท่านตรัสขณะ ท, ที่นอนแล้วหรือเปล่าคะอ่าใช่นอนนอนอยู่ในท่า น, นอนได้ร้อยแล้วแล้วก็อคือคืนนั้นนอนเมื่อตอนปชมยามใช่ไหมหกโมงทุ่มหนึ่งไปอย่างนี้เองกายนอนละแล้วปชิมโอว่าเนี่ยก็มาตรัสตอนปชิมมยามคือตอนก่อนสว่างสักเล็กน้อยค่ะอื ประชิมโอวาทท่านฟังจาได้ไหมคะที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัสเตือนตรัสเตือนทุกคนเลยนะคะบอกว่าเราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมและความสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่คนอื่นด้วยความไม่ประมาทเธอใช่ค่ะนี้เป็นเป็นคำพูดเป็นประชิมวาจาของพระพุทธเจ้าที่กุสินารานั้นค่ะแล้วก็เป็นอโอวาท ที่คนจดจํากันได้เยอะนะคะแต่ทําตามได้เยอะหรือเปล่าไม่ทราบอืมใช่แล้ว <c oughs> ทีนี้เรื่องความไม่ประมาทเนะี่ยถ้าเราจะพูดตรงนี้กันสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเมืองกุศินาราเนี่ยคือความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือตั้งสติเอาไว้ในะเราตั้งสติไว้อย่างที่เราพาทําพาปฏิบัติตั้งแต่ตอนต้นรายการของทุกๆครั้งนี่แหละแต่คือความไม่ประมาทนั้นก็คือสติแต่มันจะตรงข้ามกัน <c oughs> ประมาทกับสติตรงข้ามกัน ค่ะแต่ถ้าไม่ประมาทนี่แปลว่าสตินี่คะอาารย์ถูกต้องไม่ประมาทนั่นคือมีสตินั่นเองนะค ะ, ะดังนั้นทรงตรัสให้บอกว่าให้ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอก็คือว่าขอให้มีสติในการกระทําเธอใช่อันนี้บางอาจแปลคําพระพุทธเจ้าเลยนะคะอะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในกระบวนการการปริิพัติของด้านเนี่ยคือในสมัยนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เขา สั่งสอนลูกศิษย์อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยนะ<อ> ใ, นในลัฐที่คําสอนอื่นๆเนี่ยเขจะมีสิ่งที่เรียกว่ากํามือของอาจารย์กํามือของอาจารย์คือสิ่งที่ยังกําไว้ไม่เปิดเผยให้ดูก็เรียกว่าอัจริยมุติอจจริยมุติชาอ่าใช่แบบะจะบอกเฉพาะลูกศิษย์คนที่แบบใกล้ชิดสําคัญสำคัญคหรือจะบอกเฉว่าตอนที่ฉันจะตายแล้วอจะบอกองี้คือท่านพระนรนเนี่ยท่านรอบคอบมากในการที่จะถามคําถามว่า มีอะไรที่จะบอกอีก ไ, มไหมแหมพระพุทธเจ้าป่วยในภาษาสุทัยที่เมืองไวายสาเล่เนี่ยนะนะเราป่วยมากจนกระทั่งแบบโหแบบน่วมไปทั้งตัวโอ้ท่านพระนรนก็ยังยกย่องว่าพระพุทธเจ้านี่โหมีความสามารถสูงอดทนต่อเวทนาอะไรต่างๆได้ไง น, นะอพอท่านหายดีแล้วเนี่ยคือคือเริ่มดีขึ้นเนี่ยในภาษาสุทัยนั้นก็ได้ถามว่ายมีอะไรจะบอกอีกไหมเนี่ยมีอะไรจะสอนอีกไหมพระพุทธเจ้า ทราบแหละว่าท่านพระนาชน์หมายถึงสิ่งที่เป็นกรรมมือในอาจารย์ที่จะไม่บอกไม่เปิด<ฆ>เผยจนกว่าจะป่วยจริงๆจะตายจริงๆหรือเฉพาะคนสำคัญสำคัญเนี่ยท่านบอกไว้า ช, าชัดเจนเลยว่าไม่มีในคำสอนเนี้ยไม่มีสิ่งที่กรรมไว้ยังไม่เปิดเผยให้ดูไม่มีอาจาริยมุติไม่มีอาาริยมุติอา่านะคะแปลงี้ไพเราะกว่าอาาริยมุติไม่มีอะไรอยู่ในกรรมมือดีกว่าที่ดิฉัน พูดไปต้องขออภั ย, ยนะคะผ่วงวิชาเนี่ยไม่ถูกต้องไม่มีอ่าสำหรับท่านเนี่ยไม่มี ค, คือคือถ้าจะมีเนี่ยนะอามาคิดว่าคําสอนที่สําคัญสําคัญเด็ดๆที่ท้าว่าท่านจะมีแล้วไม่บอกใครเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องสตินี่นั่นเนองนะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านบอกตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนตรัสรู้แล้วคิดว่าจะไปสอนใครเนี่ยจะสอนเรื่องอะไรเนี่ยก็สอนพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี จนวาระสุดท้ายเนี่ยเตือนว่าไม่ประมาทอย่าประมาทเนี่ยก็เรื่องสตินั่นเองค่ะตรงนี้จึงแบบแม่สวยงามมากนะคะนั่นคือในวาระที่พระพุทธองค์นั้นอยู่ในปัจฉิ ม, มยามของวันที่จะปรินิพพานแล้วอืตรัสฝากเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกศิษย์ทุกคนเลยมาถึงพวกเราด้วยทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของอัจริยมุติใช่ไหมคือกามือของอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของอนุธานาสา ย, ยา คือการนอนชนิดที่ตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกเนี่ยเรื่องรายละเอียดต่างๆในระหว่างที่กระบวนการการริณิพพานของท่านเนี่ยคือพอท่านประทับนอนไปแล้วนะก็มีโอ้โหแบบดอกสาลามันผลิผิดฤดูโปรยลงบ น, บนพระสรีระนะดอกไม้ทิ่ไม่รู้มาจากไหนดอกมณฑรพเนี่ยซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในชั้นดาวดึงท่านนรยแบบล อ, อยลงมานะ มาบนสรีระของท่านแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกไม้ทิพย์ต่างๆเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาแบบนี้คือนี่คือพวกเทวดาก็าเอามาบูชาพระพุทธเจ้าเพราะทราบกันแล้วเทวดานี่ก็บางพวกเขาก็อ่านใจได้รู้ว่าเหตุการณ์ว่าพระพุทธเจ้าจะปฏินิพพานแล้วนะตรงนี้จึงนํามาบูชาอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่เราทราบกันดีว่าการบูชาอย่างนี้ไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าได้รับการบูชาอย่างสูงสุด แต่ว่าการปฏิบัติบูชานั้นถึงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้รับการบูชาอย่างสูงสุดแต่แต่อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ต้องมีอามิสบูชาอามิศการบูชาแบบนั้นมันก็ได้ผลของมันในระดับที่เป็นเรื่องของทานไปใช่ไหมแต่การปฏิบัติบูชาก็จะได้ผลในความเป็นเข้าสู่โล ก, กุตตรธรรมเข้าสู่มรรคผลนิพพานตรง น, นี้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามุ่งหวังนอกจากนี้ ในกระบวนการในการปรินิพพานเนี่ยที่เขาจะมีประเพณีนิยมกันว่าจะเอาผ้าเนี่ยไปถวายตามที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่ปรินิพพานเนี่ยเพราะว่ า, อาตอนที่พระพุทธเจ้ารับประธานานมือสุดท้ายแล้วของเกลียวสุกรามัถวะเนี่ยนะ<อ>สุกรามมัทวะเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีพวกนักศึกษาที่คนไทยนี่แหละที่ไปเรียนที่อินเดียเนี่ย ท่านเคยเล่าให้นิรามาฟังว่าเป็นเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่สุกรชอบกินที่หมูเนี่ยนะชอบกิน เ, เขาจึงเรียกว่าสุกรามัทธวะแล้วเห็ดประเภทนี้จะมันจะมีความเป็นพิษเมื่อต้นฤดูฝนต้นฤดูฝนเนี่ยช่วงประมาณฝนเพิ่งเริ่มตกใหม่ๆเนี่ยเห็ด น, นี้มันจะเป็นมีพิษแต่พอฝนตกไปหนักๆมากแล้วพิษของมันจะหายไปเน้อหมูมันก็กินได้ คนก็กินได้คนเห็นหมูกินคนก็ อ, อกมากินด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในจุนท้าเนี่ยก็เลยเอาสุกระมัทวะซึ่งเป็นเห็ดชนิดที่หมูชอบกินแล้วตอนนั้นเดือน6ก เ, เนี่ยคุณโยมเตีเเ๋วน 6, ึกออกไหมพระพุทธเจ้าปฏินิพพานเดือนหกถูกไหมค่ะวันเพ็งวันเพ็งเดือน6ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนมันเป็นเดือนหกก็คือเดือนพฤษภามิถุนาช่วงนั้นเป็นช่วงต้นฤดูฝนเห็ดพวกนี้มันยังไม่คลายความเป็นพิษของมัน จะมีพิษอยู่ในในเหตุมันอยู่นันก็จึงเป็นอันหนึ่งที่มีความย่อยยากเนื่งพุทพจน์อันหนึงน่งที่เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำที่พระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกว่าพระองค์เนี่ยไม่เห็นใครในโลกที่จะสามารถย่อยอาหารประเภทนี้แล้วให้มันดีได้นอกจากตัวพระองค์ก็จึงเอามาฉันคนเดียวแล้วก็ที่เหลือให้ฝังเสียในบ่ออันนี้คือสุกรามัทธะที่เขา อันนี้คือเรื่องเล่าที่เขาไปนักศึกษาเขาไปทำวิจัยมานะท่นมาได้ฟังมาก็เลยมาแบ่งปันทีนี้ว่าหลังจากที่รับานานพัฒนาเมื่อสุดท้ายแล้วเด็กก็มารับผ้าของปุกุศลกรรมระบุตรในปุกุศลเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าผ้าคือเขาขายสินค้าทั่วๆไปแล้วก็เขามีผ้าเนื้อดีอยู่2ผืนผ้าเนี้ยในคําอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผ้าสิงขีผ้าสิงคีเนี่ยคือผ้าที่เป็นใย ห, หินแ็่คือเอาใย ห, หินเนี่ย เอาเอ า, เอ า, เอามาทําเป็นได้ใช่ไหมแล้วก็เอาได้เนี่มาทอเป็นผ้าซึ่งผ้าประเภทนี้เวลาซักเนี่ยเขาไม่ต้องไปซักน้ําอย่างนั้นก็เอาพึ่งแดดหรือว่าให้ความร้อนมันมันทํางานของมันอาจจะถึงกับว่าเอาไฟพ่นไฟเผาก็ได้นะเพื่อที่จะให้ยายหินเนี่ยมันสะอาดของมันนะไม่ได้ไปซักน้ําอย่างนั้นซึ่งเป็นผ้าที่มีสีทองเป็นสีเหลืองทองอย่างเงี้ยนะก็จึง เป็นประเพณีว่าจะเอาผ้าไปถวายตามที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าปรินิพพา น, น, น เ, เรื่องที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นก็คืออาการที่ท่านปรินิพพานอย่างที่ว่าพอสิ้นคําสุดท้ายอย่ที่ว่าสังการทั้งหลายมีความเ ส, มสื่อมซิ่งเป็นธรรมดาพระพุทธจ้าไม่ประมาเทเถิดเร็จแล้วเนี่ยก็หลับตาลงใช่ไหม ช, ช่วงที่หลับตาลงเนี่ย ท่านบรรณาธนก็ตามคืออยากทราบว่าพระพุทธเจ้าป ร, รินิพพานหรื อ, อยังเนี่ยหมดลมหายใจหรื อ, อยังแล้วก็ถามท่านบรรนุรุธาซึ่งท่านบรรณุรุธานี่ก็ตามวาลจิตของพระพรุทธเจ้าตลอดว่าเอจิตของท่านไปยังไงยังไงแล้วเนี่ยนะหลังจากที่ท่านหลับตาลงเนี่ยก็คือท่านก็เข้าฌานสมาธิลไล่ไปตั้งแต่ชานหนึออกจากชานน้น1เข้าฌาน2 อ, ออกจากฌาน2เข้าฌาน3ไล่ขึ้นไปจนถึงฌาน4จนถึงอาก า, ารสันนิจเจตนะ วิญญาณัญจายตนะเนวสัญญาณนาะสัญญายตนะคือไปจนถึงขั้นสุดเลยสัญญาเวทายตานิโรธแล้วกลับมาจนถึงชาหนึ่งกลับมาชาหนึ่งแล้วขึ้นไปชาสี่อีกแล้วก็ปรินิพานตรงนั้นนะปรินิพานตรงนั้นอันนี้คือที่ท่านพระอนุทัตบอกท่านพระอน น, นะนะว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วท่านพระอนุทัตก็บอกว่าตอนนี้อย่างนี้แต่เราโดนถามอีกว่าแลงไงอีก ท่านพระนุษยท่าก็บอกอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยนะในที่นั้นค่ะเรียกว่าพระพุทค์นั้นได้ได้บำเพ็ญสมาธิใช่ไหมคะปฏิบัติเนจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายอืมแล้วก็ในเรื่องของการปริญญานเนี่ยหลังจากที่พระองค์ท่านปริิพาแล้วเนี่ยก็แผ่นดินก็วันไหวสันสะท้านสะเือนเกิดขึ้นนะที่นั้น ค่ะซึ่งเป็นกรณีที่ถ้ามีปรากฏเขาเรียกอะไรคะโอกาสสาคัญสําคัญของพระพุทธองค์อย่างจุติลงมาจากคันมารดาก็มีแผ่นดินไหวใช่เมื่อคลอดกับแผ่นดินไว้เมื่อตรัสรู้กับแผ่นดินไหวปริมิพานก็แผ่นดินไหวสําหรับสถานที่แห่งนั้นในเรื่องของการบูชาละเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังะจะมีการนั่งสมาธิฟังพระสูตรต่างๆ แล้วก็จะมีการไปยังสถานที่ที่มหาปรินิพานวิหาราว่าวิหารพระพุทธสายญาติสวยงาม น, นะคะดิฉันมองอยู่ไกลๆตรงที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเห็นคนที่เขาไปเดินทำประทักษิณโดยรอบอซึ่งคณะของเราก็เดินเช่นนั้นพอดีดิฉันก็สัมภาษณ์ท่านจามพบูลอยู่ข้างล่างยู่เหมือนกันแต่เห็นภาพดงามจริงๆเดินถือผ้า ที่จะไปห่มให้ตัวแทนของพระพุทธองค์คือพระพุทธสายญาติแล้วก็เป็นผ้าที่ได้ถูกจัดทอาออกมาอย่างวิจิตรบรรจงงดงามพอกราบกันเสร็จปุ๊บก็จัดการห่มผ้าให้พระพุทโธพร้อมๆกันก็เป็นลักษณะของการบูชาของพวกเราอะนะคะแล้วพอพระพุทธเจ้าท่านบังนี้ผ่านแล้วค่ะ ก็จะนําพระศพเนี่ยไปถวายพระเพลิงห <Okay. S 1> รือสถานที่ที่ถวายพระเพลิงก็คือเป็นสถานที่ที่พวกมลรกษัตริย์เนี่ย mm hmm. เขาจะใช้ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเวลาที่จะยกใครช่วยคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> เขาก็มีพิธีสวมมงกุฎอ่าใช่พิธีสวมมงกุฎเขาก็จะสวมมงกุฎกันที่มกุฎพันธนะเจะดีเป็นสวนแห่งหนึ่งที่เจ้ามัรละจะใช้ ประกอบพิธีสวมมงกุฎให้ ค, คือคือเมืองไวสาลีเนี่ยมีการปกครองชนิดที่เป็นระบอบสภาไม่ได้มีใครที่จะเป็นพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเป็นระบบการปกครองที่ที่น่าสนใจในสมัยนั้นนะนะสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีพระราชาพระเจ้าเปสนิโกส่วนบ้างพระเจ้าพิมพิสารบ้างคืออันนี้ใหญ่คนเดียวแต่ว่าเมืองไวสาลีเนี่ยเขเป็นคณะกรรมการเหมือ น, นกับสภาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพิธีที่ว่ า, าใครจะมาเป็นสมาชิก ค, คือเหมือนเป็นพระราชานี่แหละ แต่ว่าทุกคนเนี่ยใหญ่เท่ากันอย่างเงี้ยนะมีการที่พิธีสวมมงกุฎตรงนี้เนี่ยเขาจะทำที่นี่ก็นำพระศพของพระพุทธเจ้ามาถวายเพลิงที่นั่นมาคือเผาค่ะ<พ>แล้วก็ยังมีถ้านึกย้อนไปถึงในอดีตนี่ก็คงมีการมาขอแบ่งอธิธาอ่าใช่ของพระพุทธองค์ ไปอยู่ที่นั่นี่จะมีเรื่องเล่าแบบนี้เหมือนกันนะคะว่ามีกษัตริย์ทั้งแปดเมืองเนี่ยมาแล้วก็ให้กรรมการกลางแบ่งให้เป็นแปดส่วนเท่าเท่ากันใช่นี่ก็เป็นโดยสรุปมั้งคะที่กุศินาร า, ส, า, ราสถานที่สำคัญแห่งการปรินิพพานของพระพุทธองค์การเดินทางต่อไปของเราจะไปที่ลุมพินี เมื่อสักครูเนี้ที่ท่านพูดถึงสุกรามัถธวะอดี๋ยวฉันเองนึกถึงภาพของหมูที่อินเดียค่ะอ๋ อ, อยากจะบอกท่านฟังนะคะหมูเขาหน้าตาไม่เป็นหมูสีชมพูปุ๊กลุกน่ารักแบบบ้านเรานะคะมหมูเขาตัวสีดำดำค่ะดำดำป็นแบนแล้วก็ก็ม่อยู่ธรรมชาติเลี้ยงเหมือนหมาอย่างเงี้ยเลย <laughs> ดิฉันว่ามันแย่กาหมาไหคะนั <laughs> ่นค่ะคือได้เห็นว่า เขาเข้าไปในน้าที่ไม่สะอาดเลยค่ ะ, <Ừ. S 1> ะหน้าตาตลกมากเลยปลายจมูกขึ้นมาทั้งหัวเนี่ยจะเลอะไปด้วยคโคลนแล้วก็สิ่งสกปรกมีคนพูดให้ที่ฉันฟังว่านั่นแหละคนอินเดียเนี่ยเขาก็เลยไม่บริโภคหมูเพราะว่าไม่สะอาดจริงเปล่าไม่ะอาบนะคะเพราะว่า <Ừ. S 1> ในทางปฏิบัติก็ไม่เห็นมีใครทำอาหารด้วยหมูให้เรารับประทานเลย <Ừ. S 1> ในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็คนส่วนใหญ่ของประเทศสักสี่บหสเอร์เซ็เนี่ย เป็นมังสียเวลาด้วยซ้ำค่ะลิซืนเองจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบอาหารของแขกหรือว่าอาหารพวกฮินดูมากนะคะอย่างเช่นมีนานแล้วก็จะมีน้ำแกงที่เรียกว่าแกงถัว่วอ่านั่นแหละอ่าเขาจิ้มๆกันทานเนี่ยค่ะปกติแล้วลิฉันจะจะกล้ารับประทานเพราะมีความรู้สึกว่ามันสะอาดเนื่องจากไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนนะคะอืมแต่ไปครั้งนี้เราก็ อยู่ในศีลแปดนะคะค่อนข้างจะสมรวมกันมากเบาตัวดีมากเลยค่ะใช่ น, นี่ก็เป็นอันนี้สองอย่างหนึ่งของศีลแปดหนึ่งทำให้เราปฏิบัติได้ดีแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยเรื่องภาระที่เราจะต้องมาเกี่ยวกับปากท้องมาหานั่อกินนี่กินก็จะลดลงไปมากค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแค่เครื่องทางเท่านั้นในการเดินทางของคณะสวงบุญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภายใต้การนำของหลวงพ่ อ, พอดออรสะอาดแล้วก็ท่านพระมหาภัยบวนรอภิปุณโนซึ่งมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเองเลยนะคะจะเล่ากันต่อในสัปดาห์หน้าได้ั้ยคะท่านคะใช่ได้หมดเวลาจริงๆแล้วนะคะก็กลับมนมรด ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านผูฟังที่เคารพคะสังขารไม่เที่ยงนะคะต้องไม่ประมาทพระพุธงกสไว้เป็นปัดชิ้นโอวาดเราก็ น้อมเอามาใส่ตนนะคะใช้ชีวิตอย่าประมาทอย่าไปทำอะไรที่ดูเหมือนกับเราไม่กลัวตาย น, ะ, นะคะแล้วก็จะได้มีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนมีความทุกข์น้อยลงทุกวันทุกวันเมื่อติดตามการเดินทางของคณะของเราได้ในวันพฤหัสบดีหน้าที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะคะจะไปถึงเมืองสาวัตถีละค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธสวัสดีค่ะ